ท่านมุ่งให้เปรียบชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ท้วนและชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ท้วนอีกเช่นกันสําหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญาไม่สามารถพาตนให้พ้นทุก์สิ้นเชิงได้ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่า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 แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่แม้เหตุได้กระทำแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ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 จะไม่สามารถยังรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้สวยอยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย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 ตระกูลสูงก็มีตระกูลต่ำก็มีมีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกันฉลาดหลักแหลมก็มีโง่เขลาเบาปัญญาก็มีมีฐานะต่างระดับกันร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ยล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรม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 ได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันทีรับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่างคือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้น ต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมลาต่อมาคือพระอุบลวันนาเทรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอานน์นี่คือเทวดาถือพบชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาเมลาดังกล่าวเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้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 ตรัสให้รอเพราะพระภิกษุรูปนั้นจะสิ้นพบชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้านำสบงจีวรนั้นไปในขณะยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้นจะไม่ได้ไปสวยผลแห่งกุศ ล, ลกรรมที่ได้ประกอบกระทาไว้เป็นอันมากนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้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 หน้าหนีให้พ้นอำนาจกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันกรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนกกรรมอันนำไปเกิด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 อยู่กับอะไรนั้นกับอย่างนั้นตั้งแต่ในปัจจุบันชาติจึงจะสมปรารถนาไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้การจะทําใจให้เป็นสุขปราศจากทุกแม้พอสมควรขณะใกล้จะดับจิตคือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ได้พอสมควร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 จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลนานามัยดีอันนับเป็นลาบอย่างยิ่งผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุขภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่องไม่ล่วงเกินดูหมินผูกพันเช่นนี้มามากในอดีตชาติก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ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 อยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติมีจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามหน้าตาผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลายผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมามามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบั น, นชาติคือปัจจุบั น, นชาติจะเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรมผู้ที่กำลังสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่างๆกันเช่นได้เกิดในตระกูลสูงหรือสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง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 ให้สืบต่อกันนานแสนานานต่อไปก็ <c oughs> ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทำมาแล้วทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับพบชาติไม่ท่วนและกรรมนั้นกำลังตามมาทุกคนกำลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติ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 ที่กําลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตมโหฬารท่งพลังมากมายมือนั้นกําลังเอื้อมมาจะตะปบเราเพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเลววุฒิวิตจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญคือ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 เด็กอีกคนหนึ่งเป็นที่ห่วงใยทนุดถนอมดังแก้วตาดวงใจแต่กลับถูกทำลายตายไปทั้งสองยังบริสุทธิ์ไรเดียงสาเพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่วันมือของกรรมนำเด็กที่ไม่ได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตซึ่งมิใช่เป็นกรรมของใครอื่นแต่เป็นกรรมของเด็กนั่นเอง ที่ต้องได้กระทาไว้แน่นอนในชาติใดาชาติหนึ่งในอดีตที่พ้นความรู้เห็นของปุทุชนทั้งหลายแต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุทุชนกรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นเด็กตายแล้วพ้นแล้วจากความเข้าใจของคนทั้งหลายว่าเด็กนั้นไปได้สุขได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิใด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 และอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขขี้เรือนสักตัวแล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเซาะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกินถูกคนตีถูกสุนัขด้วยกันกัดถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านแสดงกิริยาวาจา ranging เกลียดชัง ไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปใกล้เพื่ออาศัยร่มเงากันแดดกันฝนก้อนอิดก้อนหินก็ถูกทุ่มคว้างใสให้ต้องถึงเลือดตกยางออกตกใจกลัวภัยนาน า, นาแต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจก็ทำไม่ได้อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงหหยหวนที่หามีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนไม่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 ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมต้องเคยไปทําความทุกษ์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแล้วในอดีตจึงต้องมาได้รับความทุกษ์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตาผู้ที่ไม่ปรารถนาจะก่อทุกข์ทศภัยใดๆเลยและทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นไปได้ที่อยู่ดีๆจะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่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 พระองค์นั้นก็ยินดียกโทษไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกันต่อไปเรื่องนี้สมเด็จพระพุทธเาจารย์ท่นสอนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมให้เห็นว่าเมื่อทากรรมใดแล้วจะต้องได้รับผลตอบแทนแน่แม้ข้ามภพข้ามชาติทากรรมใดจะได้รับผลนั้น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 คือการคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศ ล, ลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่อากุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอากุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่า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 ต้องได้รับผลดีเสมอทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดีเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรอะไรที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงจริง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 คือในพบชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดี กรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไหมอะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไหมเมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมไม่ดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดี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 เมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรก็พึงทาเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณคือทาบุญทากุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงใจที่จะขอโทษและตอบแทนการบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้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 ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่อยๆคิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไพเราะด้วยถ้อยคําจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคําและจิตใจที่ไม่ไพเราะใจจริงไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความไพเราะจากใจจริงผู้ต่างพบภูมิทั้งหลาย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 แลว้ววาดเกรงว่าชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบชาติไม่ท้วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานานแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันภพภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลำบากยากเข็นอย่างไรซึ่งสำหรับท่าน ผู้ได้รู้แจ้งในอดิตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียนไหวในวัฏสงสารยิ่งนักด้วยความภาคเพียรพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดภพชาติอนาคตให้หมดสิ้นไปโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สาคัญองค์นั้นท่านก็สําเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้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 ความเป็นไปได้มีอยู่สำหรับทุกคนเพราะทุกคนได้ทำกรรมไว้เป็นอันมากต่างๆกันอันอาจจะเป็นเหตุให้ต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัส ต, ตั้งแต่เริ่มลืมตายเห็นโลกไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลกอย่าประมาทอย่ามั่นใจว่าอนาคตสำหรับเราจะไม่เป็นเช่นนั้น กรรมเช่นนั้นอาจจะวิ่งไล่เรามาโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นแม้ไม่ประมาท ต, ต้องวิ่งหนีให้สุดกำลังความสามารถชีวิตนี้เท่านั้นที่เราจะพบทางนี้ได้และชีวิตนี้ก็น้อยนักมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ผลจัดชาตินี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสดีให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลย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 เราะจะทําชีวิตนี้ให้สูญเปล่าไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพึงกลัวแห่งกรรมไม่ดีไม่อาจได้เข้าไปอยู่ในความโอบปุ่มทนุทถนอมของมือที่อบอุ่นแห่งบุญคือกรรมดีโอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักเพียงชั่วชีวิตอันน้อยนักนี้ก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้กรรมไม่ดีที่ทําไว้แน่ก็จะแห่ห้อมเข้าประชิด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 ก็จะผิดไปจากทำลายพระองค์ท่านหาได้ไม่นึกถึงใจตนเองมีลูกเป็นที่รักเพียงดวงใจเฝ้าธนุธนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ถูกผู้ร้ายประหัดประหารใจของผู้เป็นแม่พ่อก็เหมือนกับตนเองถูกประหัดประหารด้วยพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้า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 ในอดีตธรณีสูบได้ในปัจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได้เมื่อต้องเป็นไปตามอานาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมแม่พ่อมีลูกรักเพียงดวงใจแม้ลูกนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีไม่ใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ใครเมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิตเมื่อนั้น ก็เหมือนทำร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นนั้นด้วยพระพุทธศาสนาเป็นดวงพระหารุไทยของพระพุทธเจ้าส่งได้มาด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระพุทธหารุไทยเปรียบเป็นพระพุทธบุตรพระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตรที่ประเสริฐเลิศล้ำหาผู้เปรียบเสมอมิได้มีคุณประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลปราศจากขอบเขต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 จำเป็นต้องมีหลักยึดยึดหลักไว้ให้มั่นกระแสดใดๆก็จะพัดพาไปไม่ได้หลักที่น่าจะมั่นคงแข็งแรงสามารถรับการยึดเหนี่ยวได้ทุกเวลานั้นน่าจะเป็นหลักแห่งความกตัญญูกะตะเวทียึดกตัญญูกะตะเวทีไว้ให้เป็นหลักประจําใจมั่นผลที่เกิดตามมานั้นจะไม่มีเสียหาย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 บารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งเมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สาคัญทั้งหลายที่ท่านไกลแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองพุทธศาสนกชนทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิ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 ได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบรมมาสุขนั้นแล้วมากมีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาค ต, ตการนานไกลตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยก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 ผู้จะมีสติระวังไม่ทาความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีกะตันยูกะตะเวทีอันเป็นธรรมะสาคัญธรรมะที่จะทำคนให้เป็นคนดีมีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกะตัอยูกะตะเวที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 ร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะที่ถูกทางและถูกธรรมติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่านธรรมะโดยโจโจได้อีกมากมายที่เว็บไซต์โจโจ .net สามารถทำสำเนาเผยแพร่ต่อไปได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตสงวนสิทธเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ